สภาวะธรรมตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ในเมื่อแยกหัวข้อใหญ่ๆออกมาแล้วดังนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าธรรมะส่วนที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นของที่เกิดมีมาก่อนพระพุทธเจ้าที่นี้สภาวะธรรมนั้นถ้าเราจะหมายความจำกัดลงไปได้แก่อะไรบ้าง ขอตอบว่าได้แก่กายกับใจของเราและสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเกี่ยวเนื่องด้วยกายและใจของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นที่ว่าเป็นสภาวะธรรมนั้นก็เพราะเป็นของมีมาตั้งแต่เก่าแต่โบราณจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสภาวะธรรมนี้ มีมาตั้งแต่เมื่อไรโลกคือแผ่นดินก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมบนพื้นแผ่นดินเช่นน้ำภูเขารถยนต์เป็นต้นก็เป็นสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างรวมเข้ามาใกล้ที่สุดกายและใจของเราก็เป็นสภาวธรรมดังนั้นทุกๆ ท, ท่านที่ฟังเทศอยู่นี้ก็ดี หรือไม่ได้มาฟังก็ดีก็ต้องมีสภาวะธรรมเป็นสมบัติของตนสภาวะธรรมนั้นอันเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตร่างกายจิตใจของเราสิ่งที่มันจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นได้แก่ความเกิดความแก่และความตายอันนี้คือหลักความจริงของสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นมาแล้วในเมื่อเกิดปรากฏขึ้นมาแล้ว มันจะต้องมีความเจริญขึ้นเจริญขึ้นความเจริญขึ้นนั่นแหละคือความแก่ในที่สุดก็ต้องสลายตัวคือตายไปความเกิดแก่เจ็บตายนั้นย่อมตกอยู่ในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนเกิดมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้ ล้วนแต่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายมาเป็นลําดับลําดับความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอันนี้พระพุทธเจ้าว่าอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงทีนี้คนเราเกิดมาแล้วมีความเจริญเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงในฝ่ายข้างเจริญอ น, นิจจังในฝ่ายข้างเจริญขึ้นนี้ทุกคนก็ชอบ แต่ในเมื่อมันเจริญถึงที่สุดแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในข้างเจริญลงซึ่งเราเรียกว่าความแก่ความเปลี่ยนแปลงข้างเจริญลงนี้ทุกๆคนไม่ชอบแต่จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามกฎของธรรมดาย่อมมีการเปลี่ยนไปอย่างนั้นอันนี้แหละคือกฎของสภาวะธรรมซึ่งมีอันเป็นไปตามกฎธรรมชาติ